ความรู้สึกของพระท่านเปรียบเหมือนแม่เนื้อระวังในผานหรือสายร้ายมีเสือเป็นต้นจะหาจุอยู่หากินหลับนอนเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนในอีบทต่างๆของแม่เนื้อเอต็มไปด้วยความนมตว่างรักษาตัวอยู่เสมอแม้เะนนั้นยันงโดน กัดร้ายกัดหรือในผ่านดึงเได้นะักปฏิบัติเราเมื่อเทียบกับแม่เนื้อแล้วความรู้สึกของเรามีส่วนใกล้คลึงกับแม่เนื้อบ้างหรือเปล่าก็าไม่รู้นี่ละเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนตนหรือถอนตนออก จากมหาอำนาจคือกิเลสทั้งมวลซึ่งครอบงําอยู่ในหัวใจหรือบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจําต้องใช้ความพยายามความน้อมนัดระวังมีตลอดเวลาจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนะักหนักด้วยการน้อมนัดระวังหนักด้วยการพิจารณาหาช่องหาทางที่จะแก้ไขถอดถอน สิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจท่านผู้เห็นโทษท่านเห็นจริงๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วสอนให้เห็นโทษจริงๆรด้วยให้เห็นคุณแห่งความภาเกียรและความหลุดพ้นจากวิเลกประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยโดยขึ้นเชิญด้วย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 เพื่ออาจเพื่อทมนั้นมีน้อยมากเมื่อกำลังของธรรมยังไม่พอหรือกำลังของสติปัญญาอย่างไม่พอจึงต้องในถูถ่ายต้องในบังคับบัญชากันดูทุกความเคลื่อนไหวของจิตและอิริยาบถต่างๆแม้ที่สุดไตวินรรทัรนมาทท่าน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 ไม่สนใจกับอะไรเดินบินถบาทก็เท่ากับเดินจงกรมไปโดยลําดับลำดาเขาใส่บาทรับบาทก็มีสติอยู่กับความเพียรของตนตั้งแต่เริ่มแรกไปจนกระทั่งกลับมาประความความประคองความเพียรไปโดยลําดับลำดาไม่ให้ขาดวักขาดตอนนี่คืองาน ของพระที่เรียกว่าบินธบาตเป็นวดัดหรือบินธบาตเป็นจิตวัตรของเราเป็นอย่างนี้การบินฑบาตก็เป็นอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าและภาษาพวกท่านดำเนินมาใคยจะออกมาจากสกุลใดก็าตาม บินเดียโลปโภชนางซาจะปปะชาตัดพระโบยาวชิวังอุซ่าโูกางอยู่ก็เป็นปฏิกิจกรําองค์ประจําตัวของพระคือบินทบาตมาครองชีวิตพอได้ประกอบความภาคเกี่ยงไปแลวให้ทําความพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตด้วยคือชีวิตของพระ เวลาไปก็ไม่ได้สนใจกับอาหารการบริโภคอาจจะได้ประนีตบรรจงอย่างไรก็อย่างไรไปตามกิจวัตรนี่เรียกว่าไปด้วยความเป็นธรรมแต่ไปมีความคิดความรู้สึกโลเลในอาหารประเภทต่างๆหรือชนิดต่างๆนั่นเป็นเรื่องของโลกของจิตหลุซึ่งมีความหิวโหยหาความเอิ่มพอไม่ได้ไปด้วยความปวดแสบของจิตไปด้วยความหิวโหยของจิต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 ทั้งไปทั้งกลับมีหลักประเพณีของท่านบิณฑบาต ท, ท่านเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าบินณฑบาตเป็นวัดในขณะที่ขบฉันหรือได้อาหารมาก็พึงพิจารณาว่าอาหารสักแต่ว่าเครื่องเยียวยาทาตขันให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดว่าประณีตเร็วซามประการใดเพราะนั่นเป็นเรื่องของอิเลสอีกเช่นเดียวกัน ไดอ้อาหารประเภทใดที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วและธาตุขันไม่แสดงกันแล้วก็รั บ, บ่ายทั้งนั้นมีนจะว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภโรสุภโรผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายกินสบาย ุกคิตาคาคตเป็นเช่นนั้นเวลาจะฉันก็พิจารณาอาหารที่อยู่คนละแห่งละหนถนูกตามถ้วยตามชามอยู่ตามถาดตามอะไรเป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาตักเข้ามารวมกันในบาทแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งในความรู้สึกของเรา จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเดิมน่ับเพื่อจะตัดความโลภโลเลนอาหารอันเป็นเรื่องของกิเลสตันหาเองต้องให้พิเจรารณาเรื่องความปฏิปูลอยู่ข้างนอกสีเป็นอีกอย่างหนึง่งกลิ่นเป็นอีกอย่างหนึง่งรสเป็นอีกอย่างหนึง่งพอเข้าไปคูกคล้ากันกับอวัยวะซึ่งเป็นรางแห่งความปฏิปุ่นทั้งหลายแล้ว เริ่มตั้งแรกตั้งแต่ไปคลุกเคล้ากับน้ำลายซึ่งอยู่ในปากของเรานี่แหละเพียงเท่านั้นก็เริ่มเป็นของปฏิกูลไปแล้วแล้วคืนลงไปสู่ภายในอันเป็นกองแห่งปฏิกูลเต็มไปหมดในภายในนั้นดูเลาะไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสชาติ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 กี่สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราออกได้ด้วยการพิจารณาเพราะความสําคัญ น, นั่นเป็นความเห็ผิดประจามกิเลสไม่ใช่เป็นความจริงเราพิจารณาแล้วก็ลงมือขันฉันไปจะพิจารณาอาหารไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะทํางานอันใดที่เป็นอัดเป็นธรรมซึ่งเคยเลยปฏิบัติมา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 ท่านถึงสอนให้สังวมลงไปนี้ปตาสัญญีให้มีความสําคัญอยู่ในบาตรท่าเสกเยวัตท่านก็บอกแล้วปตาสัญญีปิณดาราตังทําความสําคัญในอยู่ในบาตรอย่าไปสาคัญอย่างอื่นฝึกหัดจนได้จนชำนี้ทนา น, นี่ก็รู้สึกว่าเป็นนิสัย ในขณะที่ฉันไม่ค่อยเด็เธอเริ่มมองนุ่มโดยความไม่มีสตนะิมันจะเริ่มพึกหฐานปฏิบัติอาก็ดีจิตใจก็ดีให้อยู่ในนั้นนั้นจนเป็นกายเป็นนิสัยถ้าจะมองไปข้างนอกมองไปที่ไหนก็เป็นเรื่องความจงใจที่มองด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยความเผลอเลอไปต่างๆนั่นนาลุมมือล อ, อยไปอย่างนั้น ไม่เป็นมีเวลาฉันก็ให้มีสติงไม่ว่าจะทำกิจใดงานใดนอกจากการอบฉันไปแล้วให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างเง่ยนักปฏิบัติงานของค้าจึงเป็นงานที่ละเอียดมากผิดกับงาน ทางโลกอยู่ไม่น้อยผู้ใดก้าวเข้าสู่ธรรมะและได้วบวชและได้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่างานของเราที่เคยผ่านมาความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนั้นผิดกันกับงานของพระซึ่งทําด้วยความมีสติความละเอียดละออยู่มากนอกจากเราจะ ต่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ําทําลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระทํามทองเราเสียมันก็ไม่ผิดอะไรกับงานของโลกเขาและเลวยิ่งของงานของโลกเขาอีกเพราะตัวประธานคือเรานี่เป็นพระไปทําแบบโลกเขามันก็เลยโลกเข้าไปเลวยิ่งกว่าโลกเขานะ่ะอย่าอยู่ด้วยการมีจํานวนมากอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในแง่ความไม่เป็นธรรม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 สู่เพื่อนฝูงหรือผู้ที่ตนเห็นว่าไม่ดีแล้วทางนั้นก็เป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันขึ้นมากี่เหร่ต่อกี่เหร่มันก็เผากันได้ไง่ายง่ะเมื่อมองกันด้วยแง่งความเป็นธรรมคือมองใยความให้อภัยหรือมองด้วยความเมตตาสงสารหรือมองด้วยหลักความจริงที่จะพิจารณาให้เป็นสติปัญญาของตน นั่นเป็นธรรมถ้ามองไปในทางอื่นนอกจากนี้ไปแล้วก็เป็นการขาดทุนแม้คนนั้นผิดองค์นั้นผิดเราผู้ที่คิดเฆ่งแรงในว่าองค์นั้นผิดด้วยความไม่สบายใจไม่สะดวกใจความรมู้สึกความไม่พอใจอยนี้ก็กลายเป็นความผิดขึ้นมาในใจของเราเองเพราะความไม่พอใจนั้นคือเรื่องของยุติธรร ทัศน์ปัญญาต้องตามต้อนทันทีหากมีโอกาสเมื่อไรที่จะแนะนําตักเตือนซึ่องกากันในสิ่งที่ตนเห็นว่าผิดนั้นเราก็ตัเกเตือนกันได้ด้วยความเมตตาสงสารด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆผู้นั้นซึ่งมาปฏิบัติเพื่ออเพื่อทําด้วยกันก็ยอมรับกันโดยเหตุโดยผลจริงจิงนี่คือเรื่องของถังอยู่แล้วคันเท่าไรอยู่ได้เตือนกันมากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรเตือนหน้าทั้งนั้นผุ เพราะต่างคนต่างพร้อมแล้วเพื่อทำไม่ได้พร้อมเพื่อกิเลสองนั้นก็มีหัวใจองนี้ก็มีหัวใจเราก็เป็นหัวหน้าก็เห็นใจทุกรูปทุกนาว่ามีคุณค่าเลยตัดจึงต้องรับไว้มากบ้างน้อยบ้างก็ทนเอา ทีนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมากเพราะนั่นองค์หนึ่งนี้องค์หนึ่งบวกกันเข้าก็เป็นสองแล้วแล้วองค์นั้นองค์หนึ่งองนี้องหนึ่งเข้าไปก็เป็นสี่เป็นหกเป็นิบก็เป็นจำนวนดังที่อยู่ด้วยกันนีต่างองค์ก็ต่างมุ่งมาถึงให้เห็นคุณค่าแห่งความมุ่งมาของตนแต่ละรายละรายแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสนใจ ด้วยความอุตสาห์พ ย, ยายามใช้ความอดความทนนั่นแหละศาสดานี่จอมความอดทนแหละเพียรก็จอมศ า, า, าสดาเพราะศาสดาเป็นจอมแห่งความเพียรแม้ว่าในแง่ใดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์แรกเป็นผู้ออกหน้าออกตาโลกไม่มีใครเสมอแหละทําประเภทนี้เนี่ยทาให้พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาขึ้นมาความอดทนก็ ทนจริงๆความเพียรก็เพียรจริงๆความอุตสาห์พยายามทุกแน่ทุกทางที่จะเป็นไปเพื่ออะไเพื่อทำที่จะอย่างพระองค์ให้มีความจเจริญรุ่งเรืองจนถึงขั้นสําเร็จเต็มภูมิพระองค์ทรงทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่างาอดก็อดทนก็ทนอย่างถึงใจถึงใจนี่แหละทศาดาของพวกเราเป็นมาอย่างนี้ แต่เราอยู่ด้วยกันนี้เพียงไม่กี่องค์ครั้งพุทธการอยู่ด้วยกันเป็นจานวนร้อยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยท่านทำไมอยู่ด้วยกันได้นี่อันหนึ่งอยู่ด้วยกันกด้วยความเป็นธรรมอยู่มากน้อยอย่างไรก็เป็นธรรมทั้งนั้นดีทั้งนั้นเพราะนั่นก็ดีนี้ก็ดีต่างอันต่างดีต่างองค์ต่างดีบวกกันเข้าค้าเข้ า, ขากันเข้ามีแต่ของดี จะเสียไปที่ตรงไหนนอกจากมีสิ่งไม่ดีเข้าไปทําลายแค่เพียงรายหนึ่งเท่านั้นก็กระเทือนกันทั้งวดัดเราจะว่าถึงสี่ร้อยห้าร้อยองค์เลยเพียงสององค์เท่านั้นก็ทะเลาะ ก, กันได้ถ้าใจไม่ไเป็นธรรมนี่หลักแห่งการอยู่ร่วมกันก็เป็นความจําเป็นอันหนึ่งเห็นอกเห็นใจซึ่งกันนละกันให้อภัยซึ่งกันนละกันไม่ถือสีถือสา เมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่คือความเป็นธรรมที่กล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายเกิดความทะเลาะเบาแหวกกันขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่กล่าวเพื่อความตักเตือนในการอยู่ร่วมกันซึ่งเคยมีเสมอไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันมีได้ด้วยกันทั้งนั้น การคิดจะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นต่อการจึงต้องได้รับการแนะนำตักเตือนสั่งสอนเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้เป็นหัวหน้าไม่คิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ต้องคิดนั้นอดคิดไม่ได้พ่อแบบพ่อหามอยู่ทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนามด้วยความจงใจด้วยเจตนารับมาแต่ละองค์ละองค์รับด้วยเจตนาที่จะแนะนำสั่งสอนให้เต็มส ต, ติกำลังความสามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได้ ด้วยเหตุนี้จึงอดคิดมาได้นั้นว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจมต้องคิดเพื่อความอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขแล้วการประกอบความภาคเพียรแม้จิตจะไม่ยังไม่เป็นไปเพียงไรก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่ลงรอยและความร้าำรานซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขการประกอบประกอบความภาคเพียร ก็ราบรื่นดีงามสงบเย็นใจไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับเรื่องใดกับผู้ใดบรรดาที่อยู่ด้วยกั น, นอันนี้เรียกว่าปุคณรสัสปายะเพื่อนฝูงนะ่ะบุคคลเป็นที่สบายก็เพื่อนฝูงนั่นแหละบุคคลอยู่ภายนอกภายในานัน้นเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราไหมก็พวกอยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียกว่าปุคณสัสปายะก็เพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันให้เป็นที่สบายต่างองค์ก็ต่างมีอัดมีทำทำต่อทำเข้ากันได้สนิท ถ้าทำกับโลกหมายถึงตัวกิเลสแล้วเป็นค่าสิทธกันทันทียาได้นำมาใช้เวลานี้เรามาแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นค่าสิทธิ์ต่อเราและเป็นค่าสิทธิ์ต่อผู้ใดไม่มีสิ้นสุดจึงต้องระงับตับมันด้วยความปัเพียนและระมัดรววังเสมอการทำความเพียรไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภ่อน หมายถึงสติอยู่กับตัวทุกข์ก็ให้มีสติสุกขก็ให้มีสติเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดก็ให้มีสติให้ถือเป็นพื้นของจิตอยู่เสมอนี่แหละงานของพระจิงเป็นงานที่ละเอียดละ อ, อ่อนและเป็นงานที่หนักอยู่มากจํงต้องใช้ความปินิพิงานใช้คอนมระมัดระวังบังคับบัญชาอยู่เสมองานของใจเป็นงานที่หนักอยู่ลึกๆซึ่งโลกไม่มองเห็น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 ภายในงานความเพียร น, นี้เป็นเช่นนั้นต้องใช้ความพินิติจารณาความพยายามอยู่เสมอผู้ตั้งใจปฏิพววิทติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็เจตนาให้ฝังลึกอย่าเป็นโยกโยกคอนคอนใช่ไหมละ่ะแบบคอนแขนคอนแขนมีความจริงใจมีความหนักแน่นมั่นคง เป็นหลักใจอยู่เสมอเวลาทำภาวนาก็ให้มีแต่งานของการภาวนาเท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงในกับกับเรื่องใดทั้งสิ้นไม่ว่าจเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องบุคคลหญิงชายหน้าที่การงานอะไรอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมาทำลายงานของเราที่กำลังทำอยู่นั้นให้ล้มเหลวไป ไม่ปรากฏผลเป็นเท่าที่ควรและไม่ปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจตรงถึงงานที่ทำนั้นเป็นงานสำคัญและมีงานอันเดียวนี้เท่านั้นในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับจิตคือความรู้สึกสัมผัสสัำพันธ์กันอย่างอื่นไม่คิดไม่ปรุงออกไปสัมผัสสัำพันที่ว่าสิ่ง น, นั้นเข้ามายุ่งสิ่ง น, นี้เข้ามายุ่ง เรื่องนั้นเขามายุ่งเรื่องนี้เขามายุ่งนั้นมันเป็นคำพูดที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้พูดประตาหนิภายนอกเสียมากกว่าที่จะมาตาหนิตัวเหตุอันสาคัญมีอยู่ภายในใจตัวนี้แลเป็นผู้แยบออกไปเรื่องนั้นตรงออกไปเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องราวใด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 ในสิ่งที่ตนเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็ปรากฏเป็นภาพของเรื่องนั้นขึ้นมาจึงเป็นเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเข้ามายุง่งความจริงเรื่องนั้นไม่ได้มามันออกจากจิตที่ที่ปรุงอยู่นี้แหละในขณะที่จิตเถืองานของตนที่ทํานั้นเถือเวลานั้นจิตก็แยกออกไปปรุงไปแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็หาว่าเรื่องเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามายุง่งมาควนใจหาความสงบไม่ได้นี่ เป็นความเข้าใจผิดความจริงก็คือพู้นี้แหละมันถลอถลายออกไปในขณะที่กำลังบังคับให้ทำงานอยู่นั้นแต่สติผู้บังคับได้เผลอตัวไปเสียเจ้าโจรผู้ร้ายมันก็ออกไปถกไปขโมยเรื่องราวมาให้ยุ่งกวนตัวเองน่นี่เป็นสำคัญเอาที่พูดตั้งกานความบึกพ้นจริงจะไม่นอกเหนือไปจากความเพียร น, นี้ไปได้เลย จะต้องปรากฏเห็นผลอยยมพัทันตาเพราะศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกพระองค์จะปรินิพานานานไปเพียงไหนก็ตามขอให้ถือหลักความจริงเป็นที่เป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ลงใจของนักปฏิบัติทั้งหลาย ท่านสอนไม่ว่าอย่างไรนะที่ว่าสวัขาตธรรมก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้สัตไว้สัตไว้ชอบหนะักฟังสิมีที่พานที่ตรงไหนชอบต่อความจริงชอบต่อความถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดพลาดเพื่อนไปไหนพระ อ, องค์จะปฏิพันธ์นานเพียงไรก็าตามหลัก ที่ประธานไว้อันสําคัญก็คือทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นาศาสดราแทนนตถาคตจะเป็นาศาสดราของเธอทั้งหลายในเมื่อตถาคตได้ผ่านไปแล้วนี่คำว่ า, าศาสตราแทนก็ก็คือาศาสนธรรมนี่แหละเป็นผู้ชี้บอกแนวทางเหมือนกับเราตถาคตที่บอกอยู่เวลานี้ความหมายว่าอย่างนั้น แล้ที่บอกเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราเช่นทุกมีอยู่ทั้งกายทั้งใจทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ภายในกายในใจของเรานี้มีเป็นปัจจุบันเป็นความจริงอยู่กับตัวของเราแล้วบกพร่องไปที่ตรงไหนสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็หมายถึงตัวกิเลส ามาจากกามตัคหาเพราะว่าฐหาวิภวตันหาเป็นต้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ย น, นี่แหละชัดจะทำคือความจริงนีเป็นพื้นฐานรับรองความจริงทั้งหลายไว้ที่ตรงนี้และาศาสนธรรมก็แสดงลงที่จุดนี้เท่ากับพระพุทธเจ้าแสดงชี้แจงบอกเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเวลานี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราปรากฏอยู่กับเราทุกทกุรายไป นิโรธคือความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนนั่นทุกข์จะดับไปได้เพราะอะไรทุกข์จะดับไปได้เพราะสมุทัยดับนั่นสมุทัยคืออะไรคือกิเลสต่อเพศต่างๆมีกราร ว, วัฏฏาวัฏฏาวิภววัฏหาเป็นต้นดับสนิทลงไปนิโรธปรากฏขึ้นมาเต็มที่ดับไปเพราะอะไรเป็นเป็นเรื่อให้ดับทาให้ดับเพราะมากนั่น นักคืออะไรท่านกล่าวไว้พอประมาณก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสติแล้วถ้าจะพูดไปให้สุดในองค์แปดก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสมาสมาธินั่นอยู่ที่ไหนนั่ะ มาร์กก็อยู่ที่ใจการกระทําก็อยู่ที่กายของเราจะเป็นผู้กระทําสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะหมายถึงปัญญาที่ความฉลาดแหลมคมใครจะเป็นคนที่ขุดค้นขึ้นมาใชา้ก็ต้องขุดค้นขึ้นมาที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะสัมมาวาจาใครจะเป็นผู้พูดก็ปากของเราเองเป็นผู้พูดนี่อยู่กับเราทั้งนั้น สัมมากัมมันโตทําการงานชอบทําอย่างไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักสําคัญแห่งงานทั้งหลายเราก็เดินเอากายของเรานีเดินนั่งสมาธิก็เอากายของเรานั่งทําความเพียรพานใจก็เอาใจของเราเป็นผู้ทำคิดค้นสติปัญญาก็เอาใจของเราเป็นผู้คิดทุกคนเนี่ยอยู่กับตัวของเราสัมมาวายาโมส ม, มาอาชีโว มันอยู่นี่มๆทั้งนั้นเป็นผู้จะทาไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสิ่งใดจะมาทาสมบูรณ์อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราทั้งนั้นยึ่งเป็นปัจจุบันสิ่งที่กล่าวมากล่าวมาเหล่านี้เป็นปัจจุบันคือตัวของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตเป็นตัวของเราโดยตรงที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสัจธรรมทั้งสี่ เพราะนี้เป็นสัจธรรมทั้งสีตู้แห่งสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทชงสแสดงลงมาที่นี่นั่นก็เหมือนดังบุญพระพุทธเจ้าชี้บอกว่านี่หน้านี่หน้าอยู่ให้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ใช้สติระมัด ร, ระวังตัวอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมีอยู่กับเราทั้งนั้นให้ใช้วาจาอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกเป็นวาจาที่ชอบให้เลี้ยงชีพอย่างนี้ เึงเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบเช่นบุนิยาโลประโภชนังบินถมาสมาฉันด้วยน้ำพักน้ำแดงด้วยกำลังปีแช่งของตนย่าขี้เกียจขี้คลานยาลืมตั ว, ม, วมั่วสมนี่อันหนึง่งเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงอัตภาพร่างกายก็เอาการนี้แหละไปแต่จะไม่อธิบายถึงเรื่องเลี้ยงชีพชอบภายในจิต เพราะเป็นความเพียรที่จะให้โอชาลดแก่จิตอยู่แล้วองไนมกแปดนี้สมมาวายามโมเพียรชอบก็เพียรอยู่ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมหรืออายะสัตสีนี้หรือเพียรอยู่ในสัมมประทานสี่นั่นสัมมาสติระลึกชอบระลึอกอยู่ใน กายในจิตนี้แล้วลิอกหยุดออกไปข้างนอกก็ไม่หนีจากหลักสัจธรรมและเลิกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยเพื่อการถอดถอนกิเลสไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นธรรมทั้งนั้นนี่ก็มีอยู่ที่นี่สัมมาสมาธิจิตมีความสงบสบายสัมมาสติสมาสมาธินี่แหละท่านหลังมัค อยู่ที่ไหนเวลานี้หรือล่วงลอยไปตามพระสรัจจะของพระพุทธเจ้าแล้วเหมือการมาปรินิพพานั้นหมายถึงพระสรัจจะของพระพุทธเจ้าจะลายเหจากส่วนผสมลงไปเท่านั้นหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นทางเดินอันถูกต้องงดงามเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนั้นประทานไม่แล้วในที่กายที่จิตของเราทุกสัตว์ทุกส่วนบกคร่องที่ตรงไหนพิจารณาให้ดี นี่แหละเหมือนองค์ศาสนาประธานอยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่ ส, สดร้อนร้อนเพราะเป็นสวดคระธรรมตัดไว้ชอบและตรับลงที่กายที่ใจของเหล่านี้แม้พระพุทธองค์จะมาประธานพระวาติเองก็ไม่ประธานเหนือนอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักพิไนที่ทรงประธานไปแล้วนี่เลยยิ่งว่าเป็นองค์เป็นศาสนาแทนระตถาคตรท่านเพิ่งได้รับสั่งอย่างนั้นนี่แหละ กายใจยของเราเป็นปัจจุบันอายศาสตร์คือทุกสมุทัยนิโรธมากเป็นหลักแห่งศาสตร์ธรรมซึ่งมีมีกายมีใจเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งของหลักหลักสตธรรมประธานโต ว, วาสก็ประธานลงที่นี่ล่วงลอยไปไหนเวลานี้มีอยู่กับตัวของเรานอกจากตายเสียเท่านั้นเขาเรียกว่าศาสตร์ธรรมของเราล่วงลอยไปแล้วที่จะทํางานทําไม่ได้แล้วนี่เราทําได้อยู่ พิจารณาลงไปนี่แหละที่ว่ามรมีสมารถติสมาสังโปเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดรวมลงแล้วเรียกว่าเครื่องประหารป่าปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทใดไม่นอกเหนือไปจากมรี่กล่าวนี้ไปได้เลยม <c oughs> ีสดๆร้อนๆอยู่มิใช่เหรือข้นขึ้นมาสิข้นขึ้นมาใช่สิ ปัญญาพินิพิจนากายกรองดูตามหลักความจริงยาฝืนความจริงความฝืนความจริงนั้นเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงและลบล้างความจริงคือธรรมไม่ปรากฏภายในตัวเอาตั้งแต่ความรุ่นร้อนขึ้นมาเพราะความเจกสัตั้งยอในสิ่งที่จอมปองทั้งหลายนั้นเอายาพิษเข้ามาเผารนจิตใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วใช้ปัญญาพินิพิจรณา ถ้าเห็นตามหลักความจริงแม้สกลอกาศนี้ก็เปิดเผย อ, อยู่ด้วยความจริงของมันทาไมจะไม่เห็นอดูลงไปที่ตั้งแต่ บ, บนทิศตะจนกระทั่งถึงพื้นเท้ามีตรงไหนสะอาดสะอาดมีตรงไหนไม่รักใคร่ชอบใจมีตรงไหนที่เป็นสิ่งที่อาจประเส ร, ริฐอัศจรรย์มันเต็มไปด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภาย น, นอกทั้งภายในก็คือป่าช้าผีดิบอยู่ดีๆนี้มันวิเศษที่ตรงไหน มันน่ารักใครชอบใจน่ากำหนัดกำหนับยินดีที่ตรงไหนดูลงไปด้วยปัญญาปัญญาคือให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อรเรื่องที่น่ารักน่าชังว่าเป็นของ ส, สวยสวงามซึ่งเป็นของจําำปานั้นมันจะพังทลายลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังชราบความจริงนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่นี่สถานที่พิจารณาพิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ตามหลักธรรมที่สอนลงที่จุดนี้ พระพุทธเจ้าจึงเหมือนไม่ได้ปฏิาพานไปเมื่อรู้ความจริงเต็มส่วนแล้วองค์ศาสนาที่แท้จริงจะคืออะไรหรือองค์ผู้รู้ที่แท้จริงธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันแท้จริงจะคืออะไรถ้าไม่คือจิตดวงที่กําลังเป็นนักโทษอยู่ตอนนี้เมื่อได้ถูกถอดถอนปราปรามสิ่งที่ปกคุมมุ่งห่อหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วเราจะถามหาพุท ธ, ธะที่ไหนอีกอ พุทธานั้นเป็นฉันไหนพุทธานี้จะแปรปลอมไปไหนนี่คี่ว่าตรงกันตรงกันเป็นปัจจุบันในตลอดเวลาอยู่ภายในจิตใจยังให้พิจารณาที่ตรงนี้ยนันหนีจากหลักความจริงคือธรรมยิเรศเคยฉุดเคยลากามากี่พบกี่ชรั้นแล้วยังไม่เข็ดไม่ลาบอยู่เหลือทําเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากให้พ้นจากหล่มลึกทําไมจึงไม่สนใจยิ่งกว่าการสนใจที่เดสเครื่อง หลอกลวงจำปอมและฉุดล่ากไปกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่การซึ่งเต็มไปด้วยความหาผามทุกไปด้วยกันทั้งนั้นทําไมจึงไม่เข็ดไม่หลับ่ายติปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงไปเลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วแล้วได้ผลในประโยชน์อะไรบ้างเราต้องเอามาเทียบเคียงช่างความหนักเบาเลึกตื้นอยาละเอียดความจริงความปลอมของกันและกันคุณแโทษมันเป็นยังไงเอามาเทียบ นี่แหละทำพิจารณาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมปัญญาพิจารณาลงไปสอดสวนลงไปมันท่องเที่ยวอยู่ทั้งทางบนข้างล่างทั้งทางในข้างนอกในกลตกลกายท่านที่เรียกท่านเรียกว่ากรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ตั้งแห่งงานนี้เป็นเป็นงานที่จะถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลออกจากจิตใจ และเป็นงานที่จะถอนจิตใจออกจากหลุมลึกให้พ้นไปเสียได้เพราะงานนี้อย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานดังที่ท่านว่ากรรมฐานห้าคือพูดย่อๆให้ความเหมาะสมกับบุญระบุตู้บวชในเวลาเช่นนั้นซึ่งไม่มีเวลามากมายนากักก็สอนเกสาโรมานาขาสันตาตะโจ ไปถึงหนังแล้วมันห้มห่อไปหมดหนังเป็นประโยชน์ใหญ่โตมากโลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเท่า น, นั้นเป็นสําคัญถ้าถ้าลอกหนังเอาหมดแล้วหลงกันที่ตรงไหนอืรักที่ตรงไหนสวยงามที่ตรงไหนหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหลอกประดับหน้าร้านข้างในมีอะไรอมูลสดมูลแห้งเจนปหมดดูให้ ชัดเจนดูให้ทั่วถึงดูให้ดึกซึง้งจะเห็นความจริงเป็นลำดับสำดาไปจิตนี่จะถูกกิเลสตีตะปูไว้อย่างเหนียวแน่นก็ตามเถอะเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปตรงไหนแล้วจะดีดถึ ง, ถ, งถึงขึ้นมาเลยฮะไม่ต้องสงสัยเดดขึ้นมาจนหลุดลอยไปโดยไม่มีเหลือเลยเนี่ละงานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญมากเพราะงานอันนี้ถูกกิเลสตีตะปู คือตีจิตลงใส่ของจอมปลอมนั้นให้ติดแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรก็ว่าเป็นเราอะไรก็เป็นของเรามันจะพังทลายอยู่ก็เป็นของเราเหมือนคุ้งหมดทั้งตัวมันก็ว่าเราเป็นว่าเป็นเราเป็นของเรายังจะจมกับมันอยู่เะยของจริงมีอยู่ทําไมไม่หยุดของจริงมีอยู่ทําไมไม่ค้นหาของปลอมไปติดมันหาอะไร พิจารณาขุ้ยเคียดขุดค้นหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนบางคับบัญชาพิจารณาจิตลงที่นี่สิ่งอื่นเรื่องอื่นเรื่องใดๆเคยเคยคิดเคยอ่านเคยปรุงเคยแต่งมาซะมากกว่ามากแล้วแล้วก็หากองทุกข์ขามาเผาหัวใจให้จิตใจได้แบกได้หามนี้มามากต่อมากแล้วควรจะยุติควรจะบังคับจิต ให้พักในงานนั้นแล้วเข้าสู่งานนี้หลายครั้งหลายหนงานนี้เด่นขึ้นมาตามหลักความจริงแล้วงานเหล่านั้นจะล่มเลิกไปค่อยจางไปจางไปจางไปโดยลำดับสุดท้ายจิตก็หมุนติ้วเข้าสู่ความจริงละทิ้งนั่นะจะเรียกว่าได้การกัวท่าทิ้ง เ, เห็นร่องรอยละทิ้งจิตใจจะสว่างสวยัยสิ่งที่บีบบังคับอยู่ก็จะคลี่คลายตัวออกไปคลี่คลายตัวออกไปเพราะอำนาจของสติปัญญา อย่างทราบถอดถอนขึ้นมาถอดถอนขึ้นมาผลที่สุดก็รู้เท่าทันอย่างละเอียดทั่วถึงแล้วทีนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหมือนกับตะปูตีติดกับสิ่งจํำปอมทั้งหลายเหล่านี้ไว้มันก็ถอนผึงขึ้นมาไม่ต้องสงสัยเมื่อถอนขึ้นมาแล้วทําไมจะไม่เบาเหมือนเราแบบท้าสาภารนะที่นหนักหนักอยู่บนบาแทบหลังจะหกักบาจะฉี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 เห็นคุณค่าของธรรมเท่าไรก็ยิ่งเห็นโทษใงความจาปอมจำปอมของกิเลสมากเท่าเทียมกันผลสุดท้ายเห็นโทษก็ถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมก็ถึงใจนั่นละเป็นเรื่องเสริมใจดวงเดียวซึ่งออกมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเป็นพลังอย่างยิ่งพุ่งเลยเดียวความเพียรจะไม่มีกลางวันกลางคืนนี่เพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจ ความมันคุณอย่างถึงใจความเพียรหมุนตัวไปเองสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่เหมือนหมูแต่ก่อนก็ดีดขึ้นมาคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างคล่องไปหมดความเท่าเพียนหมุนไปตามสติปัญญาหมุนไปตามความมุ่งมั่นหมุนไปตามความเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็เพลินเพลินทางธรรมผิดกับเพลินทางโลกเพลินทางธรรมเพลินไปด้วยความเบาความบางความ ระหว่างสไยความสุขความสบายเทอนเรื่องของกิเลสเทินเท่าไรทําให้จมลงไปจมลงไปผิดกันอย่างนั้นจมลงไปเป็นไงก็ทุกบีบบังคับหมืนเด็กเราเคยเป็นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์เราเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วแต่เรื่องของธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นแมงไม่เคยเป็นแต่จงยึดศาชาอุงเอก ที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทรงปล่อยวางมาหมดแล้วถ้าพูดถึงรถก็ท่านก็กล่าวไว้แล้วในธรรมรถแห่งธรรมชำนะญถึงรถทั้งปวงนะสังดีแต่พระพุทธเจ้าทําไมจะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์รถของโลกเกิดมากี่กับกี่การเช่นเดียวกับเรานี้ทําไมจะไม่เคยเห็นได้จิงฉลาดปัดทิ้งรถเหล่านั้นไปเสียโดยชิ้นเชิง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 แห่งรถของกิเลสนั้นอีกด้วยแห่งความพยายามของกิเลสที่หลอกลวงจับโลกนี้อีกด้วยพระองค์สงทราบได้ไหเนีย่ยศาสดาองค์นี้แหละองค์เอกได้รู้ได้เห็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างย่างถึงใจแล้วนำมาสั่งสอนโลก<ม>เราเป็นลูกจิตมีครูชินนั้นเราก็ผ่านมาแล้วส่วนธรรมยังไม่ผ่านถือพุธทธังสนังกระฉามเอายึด เป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายทรมังสวังกระามอิรุณแน่แต่เป็นธรรมชาติที่ปรริฐทั้งนั้นอยุตดเป็นหลักเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายในทางความพากเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าดลละท้อถอยหเห็นความจริงดังที่ศาสนาสอนไว้ทำนี้ทำเป็นธรรมที่ท้าทายทั้งเหตุทั้งผลไม่มีอะไรบกพร่อง ครั้นที่ติโกเป็นเครื่องตัดสินจะรู้เองเห็นเองเมื่อปฏิบัติตามหนักธรรมที่ทรงสั่งสอนมาแล้วนี้จะไม่เป็นอีกอย่าทำจิตใจให้จิตจิ ด, จ, ดจางจางว่างว่า ง, างเปล่าๆ ล, ล่าไปด้วยคุณค่าหรือจากคุณค่าทั้งหลายแต่ให้จิตใจมีรสมีชาตกับคุณค่าแห่งธรรมประจำใจคอยะฟังกิเล่มันกระซิบ เดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาไนยบดใดท่าใดก็าตามกิเลสจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทราบเพราะสติปัญญายังไม่ทันต่อเมื่อสติปัญญาทันแล้วถึงจะทราบได้ชัดโดยลําดับลําดาของการแทรกแซงของกิเลสจนกระทั่งกิเลสมันพังทลายไปหมดพวามหน้าของสติปัญญาแล้วนั่นล่ะที่นี่เราจะรู้ได้ชัดที่ว่าสันติโกเต็มภูมิ หรือปัจจังเวทิตตโบวินยุ์เต็มภูมิไม่มีอะไรมาเกาะมาเกาะมาเกี่ยวมายุ่งมากวนภาณใจิตใจซึ่งแต่ก่อนอยู่ใต้กดใต้ข้อบังคับอำนาจของกิเลสทั้งหมดหาเวลาจะดิดตนขึ้นมาหรือโผล่หน้าขึ้นมาสักเมดหนึ่งไม่ได้ถูกมันตีจมลงไปจมลงไปอยู่อย่างนี้เป็นกี่กับกี่กันมาแล้วท น, นได้ท้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียโดยชิ้นเชิงเป็นยังไง อะไรจะมาควรใจอีกมีไหมไม่มีเอายบททั้งสี่ก็อยู่ด้วยธาตุด้วยขันด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมายุ่งมาควรใจิตใจให้รับความเดือดร้อนกลุ่ ม, มัวเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกเลยเพราะขี้เดชมันสินส้นซาลงไปแล้วเป็นอกุ ป, ปะธรรมล้วนๆคือไม่กำเริบไม่มีอะไรที่จะมากำเริบเพราะหายสนิทขี้เดชตายจมไปอย่างสนิทจิตก็เป็นธรรมชาติที่สนิทแนบ แน่นจนหาอะไรปูนมาได้นอกจากกับประมังสุขขังเท่านั้นเพราะคล้องท่าขันก็คล้องไปเนื้อลก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปเปลี่ยนไปตามสภาพรับผิดชอบกันไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นภาระฮ า, าวปัรรจักขั้นทาอันหนึ่งด้วยความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่ภาระฮ า, าวีบรรจักขั้นทาในการยึดมั่นถือมั่นในขันนี้ว่าเป็นของหนักหากเป็นความรับผิดชอบ เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีดตัวออกแล้วจากขันจากกิเลสประเภทต่างๆหากาเพียงอาศัยกันอยู่เท่า น, านั้นจึงต้องมีการรับผิดชอบความเพียงเท่า น, านั้นเมื่อถึงการที่จะปล่อยแล้วก็ทนไม่ไายก็เช่นเดียวกับรถ ซ, ซ่อมนั้นซ่อมนี้ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ซ่อมไปจนหาที่ซ่อมไม่ได้มีแต่คอยจะพังจะพังก็ปล่อยเสียอันนี้ก็เหมือนกัน ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้เยียวยาด้วยการดูการรินการหลับการนอนการเปลี่ยนียบทผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ปล่อยเสียทีนี้อนารโยไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องมารับผิดชอบกันอีกแล้วนั่นท่านว่าอนุปาทิเสสนิพานหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรม ร, ร, ร, ธรมซึ่งยังมีขันนั้นขัน สมมุิยังมีการเกี่ยวข้องยังมีความรับผิดชอบพิมพ ก, การันต์อยู่จึงเรียกว่าสักุปาทิเสสนิพานถึงนิพันธ์แล้วแต่ยังมีสมมุติเี่ยวปนอยู่คือขันเป็นต้นนี่อ น, นุปาทิเสสนิพันตรลอยวางโดยประการทั้งปวงแล้วในแผ่นนี้หมดความรับผิดชอบขันสลาลงไปตามสภาพของมันธรรมาชาติที่บริสุทธิ์ก็เป็นอนารายุหมดความรับผิดชอบถ้าจะว่าเป็นห่วงก็พูดไม่ถูก ท่านห่วงอะไรนหมดความรับผิดชอบนั้นท่านสนิทีมีผลของการปฏิบัติจากความยุ่งยากหุ่นวายจากความหนักหน่วงทวงใจในความภาคเกลียนทั้งหลายจากการต่อสู้กับวิริยะซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมมากจึงต้องใช้ความปิณิปีนาความพยายามวันหนึ่งวันหนึ่งยาให้เรื่องเวลาเสียไปเพราะกิจการงานอันใด นอกจากเสียเวลาเวลาไปกับการประกอบความเปลี่ยนเท่านั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่จะสลัดปัดทิ้งทุกทั้งหลายออกไปโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจทั้งทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ให้เห็นได้ชัดๆนี่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ปลอมเมื่อไหร่องค์เอกยิ่งเต็มที่ก็คือองค์าศาสดาธรรมธิษฐาไม่ชอบก็ชอบยิ่งก็คือาศาสดาซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วสอนไว้ตามความจริงทั้งอุบาย วิธีการละการมํ่เพงบอกไว้หมดจนมาทั่งถึงยิมุตรหลุดพ้นบอกไปตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรสงสัยมีบกพร่องตรงไหนสาจนธรรมเวลานี้ไม่บกพร่องชาจะทมทั้งสี่ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานอกจากบกพร่องทางมรรคษัตย์สติปัญญาศรัทธาความเพียรเรายังอ่อนเอาผิดขึ้นมาให้เต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่จะเต็มได้นี่เมื่อสติปัญญา ของเรามีกําลังขึ้นมากน้อยเพียงไรนิโรธคือความดับทุกข์ดับกิเลสก็กับกองทุกข์มันก็เป็นเกี่ยวโยงกันมันจะดับไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถอนพวดขึ้นหมดอวิชชาปัตติยาสร้างข้าราไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นน่ะนิโรธะหรือว่านิโรธดับสนิทมากที่ทำหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสหมุนตัวเป็นธรรมจักรก็หมดปัญหาภาระไปในทันทีทันใดนั้น คำว่ามหาสติมหาปัญญานี้จะพูดได้เต็มปากเฉพาะขณะที่ประกอบความเพียรต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนั้นเท่านั้นของกิเไลสบรรลัยไปเท่านั้นที่ว่ามหาสติมหาปัญญาพอผ่านจากนั้นไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็ไม่ยมุ่งเทราเป็นสมมุติด้วยกันเป็นความจริงด้วยกันเป็นความจริงในขั้นของสมมุติด้วยกันทั้งนั้นสติก็เป็นสมมุติเวลาอยากจะใช้ก็มาใช้เป็นเครื่องแก้กิเลสก็แก้มันไปเวลากิเลสมันชิ้นสุด หลุดลอยไปจากใจหมดแล้วสติอันนี้ก็ใช้ในในเวลาที่จะต้องการงานอะไรๆเท่านั้นอปัญญาก็นํามาใช้ตามการแต่เวลาในหน้าที่การงานแต่ไม่ได้ใช้เพื่อแก้กิเลสตัญหาอะไรประเทศใดเพราะฉะนั้นคําว่ามหาสติมหาปัญญาจึงหมดหน้าที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลงไปหลุดลอยจากใจไปทั้งนั้นนะทีนี้จะว่ามีสติหรือไม่ว่าหรือไม่มีสติไม่พูดท่านพูดไปทำไมท่านแน่ของท่านแล้ว เต็มตัวแล้วสติก็คือสมมูิขาดสติก็มีสมก็คือสมมูิมีสติก็คือสมมูิถ้าไม่ได้อยู่ในความมีสติในความขาดสติอยู่กับคาําเป็นความบริสุทธ์้วนๆเท่านั้นนั่นเอาให้เห็นจริงจังสิท่าทายเราอยู่นั่นหละในศัจธรรมทั้งสี่นี่ขุดค้นขึ้นมาให้ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทําไม่ได้ใครจะทําได้พระเรานี่เต็มภูมิแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมุลแล้วถ้าไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉยผู้ทมมรรคทรผลจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าไม่ใช่นักบวชและนักปฏิบัตินี้จะเป็นใครที่จะออกหน้าออกตาของการทรงมรรคทรงผลถ้าเราเท่านั้นนอกนั้นเขาก็เดินตามหลังแต่ว่าศาสนาเรายอมรับว่า ว่าจะหนาไม่ว่าจะเป็นคารวาไม่ว่าพระเป็นได้โดยการอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งแต่เพศอันนี้เป็นเพศที่ออกหน้าออกตาเป็นเพศที่เด่นชัดในการเข้าสู่สงครามเพื่อจะปราบกิเลสให้แหลกแตกแรกระจายภายในจิตใจได้ยิ่งกว่าเพศใดๆเราจรึงพูดในจุดนี้ขอให้ทุกๆท่านตั้งอก ต, งตั้งใ จ, ปจงานานเป็นปิจนาเต็มสติกําลังความสามารถของตนอย่าได้เสียดายอะไรมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสมมุตินิยมเพ่นะมันครอบอยู่หัวใจเพราะกิเลสพาไปกวานออกมา ไม่มีอะไรไปกวนมาแหละทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำบนไฟดินฟ้าอากาศสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหะมันไปเที่ยวเสกเที่ยวสรันทั้ยอขึ้นมาแล้วหลอกเราให้ยึดให้มั่นถือมั่นความความโลภมันกำลังมากขึ้นมามากขึ้นมาจนทับหัวใจกระดิกไม่ได้ความโกรธมันกระเพาด้วยกันความความหลงเป็นพื้นอยู่ภายในแล้วส่งเสียดาอะไรดินก็เหยียบอยู่แล้วตัวของเรานี่ก็คือธาตุดินแล้วเสียดายอะไร น้ำลมไฟจะไดอะไรมีเต็มไปด้วยธาตุต่างๆเท่านั้นเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษโลกนี้เกิดมากับสิ่งนี้อยู่กับสิ่งนี้มันวิเศษไปด้วยกันหมดแล้วแมท่ทศเดชฉันม่ว่าในน้ำมังบกมันวิเศษไปด้วยกันนั้นเพราะมีธาตุเหล่านี้ประจําตัวของเขาอยู่แล้วและเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันก็จะวิเศษทีงหมดอะไรที่วิเศษสิ่งที่เหนือจากนี้มีออทำโมปรีโปนานคิดดวงนี้แหละให้กรันกลอง สำหรัปอกกันหหมดสิ่งใดที่จอมปลอมภายในจิเมื่อได้ถอดเอาหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้แหละโลกอุตระโลกุตระหมายถึงอะไรถ้าไมหมายถึงกิจที่เหนือสมมติทั้งปวงแล้วนี่อันนี้ละวิเศษอันนี้ละเลิศเอาให้ได้สมบัติมหาศาลกินไม่มีวันหมดวันสิน้นอาการิโกะอาการิกีกิจอาการกาการีกรรมคือมหาสมบัติอันนี้แหละอาให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพนิทปิยกันนะ ยาอืดอาดเหนื่อยน่าให้เห็นนะอืมประกอบความผักเปี่ยนมีเกี่ยวข้องอะไรกับลมชลากับธุรหน้าที่อะไรให้ทําแล้วให้นี่ไปประกอบความผักเปี่ยนแม้มัดประกอบการงานอต่างสถานที่ต่งตางๆด้วยกิจงานการต่างๆก็อย่าให้เผลอสติให้มีท่าหนักโรคอยู่เสมออย่าเป็นท่านอนแผ่จ้องหรือที่เหล็กเหยียบเอาเหยียบอยบอกดูไม่ได้เลยนักปฏบิบัติเราเอาละขออยู่ที่เพียงท่านี้น สุขภาพไม่เป็นท่ามันประชุมไม่ได้นะเทมันนะ่ะมีมีคนมาเกี่ยวข้องเรื่อยๆในเวลากลางวันโดยแล้วลาคืนมามันก็อ่อนเพียงมันแล้วจะ อ, อะไรมาเทสต์อะไรี้ร่างกับลมทัานงนั้นอย่างท่านปล่อยโมอสทุกอย่างแนละ้วผู้เดียวเป็นต้นโพล้มไทรก็หมดไปตายทําไมต้นโพใหม่มันก็ไม่ขึ้นให้ตัวแมลงเอาไปกินหมด คับหูกัดตากัดจมูกกัดลิ้นกัดกายกัดใจเข้าไปทุกอย่างเรื่องจะเลินได้ไงนี่เราพวกเราอยู่มั่งมากเมืนมันอึดอัานะผมดูมันขวางตาอยู่นะผมก็ทนเอาไว้เฉยๆเนี่ยผมไม่อยากลับมากมขอแค่เห็นนี่เองมันก็ไม่ผิดนี่นะคิดไว้มันไม่ผิดอึดอัดมั่งมากจัมากยั่วเยีายโยเยี่ยมไม่ยเลอกงนานนอกอยามายุ่ง เป็นทํางคันที่งมองงานภายในการงานค่าละเอียดนะนี่ไม่เห็นงานอะไรเป็นทัง้งคันทั้งนั้นหรองานจะทําก็ช่วยระยะ ก, การแล้วเขาหยุดเพื่อประกอบงานอันนั้นเราเห็นคุณค่าของงานนี้มากในวงงานไใดๆนะสาหรับภาคกรรมาฐานเรานี่เอาจจริงไม่ไม่ยุ่งกับอะไรเลยยุงแต่ภาวนเดชานะผมไม่มี ง, งานอะไรมายุ่งคุณยุ่งผมก็มายุ่งนี่เพราะงานอันนี้มันหนักมันหนาฟาดกันอย่งนั้นทั้งวันทั้งคืน ยิ่งเวลามันเดินทางปัญญาด้วยแล้วโอ้โหใครจะมายุ่งได้เหรอแม้แต่เรานั่งอยู่บนกุฏิกันอยู่น้องผือนได้ยินเสียงบันไดก็แก้ใครมานั่นวางเลยพอองค์นั้นองคนี้มาจะมานวดเส้นไม่ต้องท่าเส่นเหมือนไม่มีไม่ใครมานวดมาแก้มันเสียเวลาเลยนู่นน่ะฟังสิห ม, มาถึงเวลามันปัญญามันออกมันไม่มีวันมีคืนจริง คิดดูสิเรื่องของยิ่งใหเป็นไงขนาดนั้นอ่ะต่อสู้ขนาดนั้เดินอยู่กลมเจนออกร้อนผ่าเท้ามันไม่รู้ว่ามันกี่ชั่วโมงเพราะมันเพลินอยู่ภายในเนยมันฟัดกันอยู่นั่นอ่ะมันไม่ออกไปไหนเดินไปเดินไปตัวชาโิตัวเซตามันไม่เห็นนะเพราะสติบัญญามัอยู่ข้างในนี่มันไม่ได้ออกข้างนอกเดินไปเดินไปนู่นเข้าป่านู่ โคมข้ามเขาป่าออกมายับเขาป่ายับออกมาเอาาเอยู่แล้วอยู่นั่นเพราผมถึงไปหาอยู่ป่ า, ปาลึกๆคนไปเห็นเขาจะว่าผมเป็นบ้าเป็นอะไรวะถ้านหนเวลาขุดกันมันขุดขนาด น, นั้นนะตามไม่เห็นน่ะถ้าลงจิตเข้าข้างในแล้วมันจะเห็นอะไรก็ตามเป็นเครื่องมือเหมือ น, นประตูเปิดไว้ก็เปิดสิคนไม่ออกก็อยู่นั่นน่ะเปิดอ้าวไว้นั่นแนหะ ทายจะส่องไปกะส่องไปคนไม่ดูมันก็เป็นระส่องไปเฉยอันนี้ตามกระแสของมันอยู่งั้นนะมันไม่เห็นสติปัญญาอยู่ข้างใน่ะมันเป็นเห็นประจักษ์พูดได้อย่างอาถานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงเวลามันเข้าข้างในมันไม่ออกข้างนอกมันหมุนมันอยู่ภายในนั่นปัญญาประเภทเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่มันผ่าโผล่มากนะเหมือนกับว่ากายจะไหวไปตามมันรุนแรง พอปัญญาเข้าส่นาวนนามธรรมล้วนๆแล้วมันก็เป็นน้ําทับน้ำสืบมันหมุนของมันอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนนอนไม่หลับที่ดูสิตลอดลูกองที่เฉยนี่บางคืนนั่งภาว น, นาแล้วกเหนื่อยแล้วพออะนอนให้หลับหน่อยมันไม่หลับมันหมุนตี๊ด ต, ตีอยู่กับงานจนเหนื่อยนอนก็เหนื่อยลุกขึ้นมาอีกอ้าลงท่าอย่างกรมลงต่อไม่ต่อสว่าง กลางวันมันยังจะไม่นอนอยู่คนจะตายมันก็ยังไม่ถอยนี่แหละกาลังของจิงเวลามันเอามันเอาจริงมันสู้จริงเวลามันหมอบมันก็หมอบจริงๆกิเลสอำนาจของกิเลสอานาจของกิเลเหยียบมันหมอบมันเห็นทั้งๆเรื่องกิเลสเหยียบจนหมอบเห็นแล้วอ้าสติปัญญาเหยียกกิเลสจนหมอบเห็นแล้วนี่ว่าไง พ้อมอันนี้ขาดไปปั๊บ น, นี้นั่นก็เป็นงานอีกอันหนึ่งนะขุดค้นหาน่ะนั่นเป็นงานอันหนึ่งนั่นคุ้ยเขี่ยหายาั้นการคุ้ยเขี่ยหาก็เป็นงานหนึ่งอพอเจอแล้วก็เอาละ่ะที น, นี้นั่นใบงานแล้วที น, นี้ฟาดกันอีกแล้วบางอย่างมันวรเข้าใจแล้วมันกรหลุดลอยไปเด็วก็มีช้าก็มีที่มันช้านั่นสิมันจะตายอ่ะพราะเรามัได้อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดไปนี่เอยู่ด้วยลาพังเรา เอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นอัตหิตธนุนาโถสิันเหลือกาลังจะตัินก็วิ่งมาหาท่านสัก ท, ทีนึงทำให้จะเป็นยังก็ไปมาเพราะมันไกลลำบากการแตะกันมาก <c oughs> มเดินตั้งแต่ออกจากที่พักจกนกระทั่งมาหาท่านมันไปไหนจิตมันดูกระตววนมันเดินยงกลมมาเลยพ อ, อออกจากท่านไปก็เดินยงกลมไปเลย มันไม่สนใจกับควา ม, วามกล้าความกลัวว่ามืดว่าสว่างคขำๆจนกำลังมืดเริ่มมืดแล้วถึงออกจากวัดท่านก็มีนู่นทางตั้งสิบสามสิบสองสิบสามสิี่กิโลมันไปของมันได้สบาเฉยไม่สนใจเขาเมันก็เหมือนบ้าอมันไม่ได้ม้ามันอยู่ข้างในน่นใครไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยทางเขาสิาลูกอยู่เห็นอยู่พอไปถึงกับ มันก็เป็นคอมเพียนกันอยู่แล้วเขไม่ทราบอะไรเป็นคอมเพียนอะไรไม่เป็นคอมเพียนมันเป็นคอมเพียนอยู่แล้วตลอดถึงระยะมันเป็นเวลามหมอบันหมอบจริงๆ น, นั่นผมยืนยันไม่แหม่ทั้งที่เวลามันได้ที่มันถึงฟาดกันยังไม่มีปณีภาษา วันนี้มีท่านเบนท่านท่านอ้วนที่มาจากวัดบ้านนมน์มาด้วยก็เลยทำประเหต๋ให้ได้พูดถึงเรื่องบ้านนมนตก็เป็นวัดน้ำมนต์นี่เป็นวัดเที่ยร์ลึกันหนึ่งเหมือนกันเพราะตั้งแต่เราบวชมาการอาหมทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันก็มีพรรษานั่น่ะในชีวิตของเรานีพรรษาที่สิบคือมันเริ่มมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาันเดือนพฤษภา่ะมาจาก พระธาตพนมกับพ่อแม่หัวอาจารย์เนี่ยท่านไปเผาตบท่านกันพ่อแม่หัวอาจารย์เสา่ะกลับมาก็ไปรับท่านเข้ามาด้วยกันก็เข้ามาอยู่วัดนมมรรษสารหมุนตื้อๆเริ่มมาต่นวะเริ่มสมาธิเนี่แน่นแน่นตะนวลนั้ น, นั้นมันเกี่ยวกับสมาธิกับปัญญาที่เวลาเข้าจนกรอกมันเป็นปัญญาสายฟ้าแลบเลยมัดคอแต่กันไม่มีปัญญากับมัดแต่กันที่ไม่มีได้ ใช้ปัญญาได้อย่างไงเวลามันจะตายมันเจินกรอกึงมุมก็ต้องใช้ปัญญานิเวลามันรู้ขึ้นมามันก็รู้โดยปัญญาที่ว่าได้เกิดความอาธหายในเรื่องความเป็นความตายอือะไรมันตายวิัญาณมันก็ตั้งถึงนหาอันตายไม่ได้นู่นทีนี้มันกลัวอะไรมีกลัวตายกลัวหกกันน้ำแตงไปนี้ดิึงกัเป็นน้ำเป็นน้ำลุ่ป็นลมไปใจที่มันกลัวตายมันก็ไม่ตามยิ่งเด่น ยิ่งเห็นจใจมันตายได้ยังไงนีเนี่ยสง่าภาคภูมิยดิ้นมันตายได้ยังไงนี่เนียโกหกกันนี่แหละดวพันศาสนี่มันเอาเันเต็มหอยหักผมร่างกายนี่หักผมมักจริ่นะกลางวันไม่นอนเลยตลอดรูปเอ๊อกลางคืนโอ้กลางกลางวันไม่กลางวันไม่นอนเลยเว้นแต่วันไหนนอน นั่งสมาธิตลอดรุ่มวันนั่นจะยอมพักกลางวันให้ถ้าวันไหนไม่ธรรมดาดันทอะเลนธรรมดานี้กลางวันไม่พักให้เลยไม่นอนในบัญชากลางวันหมไม่ยอมพักเลยนู่นถึงว่ามันมันหักโหมมากเพริ่งฉันยังหันเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่เราไม่ได้คิดจะต่อสู้เ น, น, นั่งอย่างนั้นเลยพริกนั่งขัดสมันนี่ไม่ได้ไคือเรานั่งขัดสมันคือเหมือนกับว่ามันเพองมักก้นเรากระดูกเหมือนมันจะแตกทุกข้อทุกท่อนเหล่านี้เหล่านี้มันกระดูกมันต่อกระที่ไหนแม้แต่ข้อมือยนี่มันยังเหมือนกับมันจะขาดจากกันมันเป็นมดัดเวลามันขึ้นขึ้นมดทุกทีทุกที่ทุกเนี่ย ท, ท, ทุกมือ ปัญญาพาดลงแหลกก็ได้น่นะมันอัศจรรย์นะมันล้างกันได้ เ, เนี่ยเลยจนทั้งหายไปมาทั้งร่างกายไม่มีเหลือเลยไอ่ไหนเหลือแต่ความอัศจรรย์ของกิตดวงนั้นที่จับแต่ว่าปรากฏหนักเวลาถึงเข้าถึงกิตแม้จิตนั้นก็นยังมีอวิชชานะมันหักเป็นของอัศจรรย์ของมันเพราะมันคลาดอะไรเจอกจั่งหมดเหลือแต่ความรู้ความรู้นั่นก็เป็นความรู้ที่อวิชชานั่นแหละตอนนั้นมันไม่รู้ว่าอวิชชาไม่อวิชชาแหะ มันเห็นแต่เขาอัศจรรย์เนาธรรมชาติตรงมีเงื่ออะไรก็สิ้นไปหมดชื่อหมดในคามู้สึกแล้วเหลือแต่ศัตรู้อันเดียวเท่านั้นเนี่ยทำมาศตวรรู้ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนานะะมันเป็นสองอย่างหรอกอย่างหนึ่งเวลามันรอบมาแล้วเวทนาก็เป็นเวทนาต่างอันต่างสริงกายก็สัตวะกายเวทนาสัตรูธรรมกายจิตก็เป็นความจิงของจิตต่างอต่างจริงไม่กระทบกันนี่อันหนึ่ง อันหนึ่งพอมันมันรอบมันแล้วเวทนากระดับบุบไม่มีเหลือเลยกายก็หายพร้อมกันเลยมันเห็นเป็นสองอย่างตลอดเราจะเป็นอย่างไหนก็ตามเราไม่ได้ปรุงได้แกงมันมันต้องเป็นของมันเองก็มันก็สนุกเป็นความรู้สึกสนุกเป็นสักพีปยานอยู่เพราะมันเป็นความจริงด้วยกันมันดับหมดก็เป็นความจริงอันหนึ่งมันยังคงคงอยู่แต่ ต่างอันต่างจริงนี่มันก็เป็นความจริงน่นแหละที่ว่าปัญหาที่หนักมากที่ผมในชีิตน้องนักบวชเนี่ยนะผมหนักมากปัญหานั้นแต่มันก็ไม่มันไม่ได้สนใจว่าเป็นภาระว่าหนักมากมากนะคือความมุ่งมั่นมันมันมากมันหักจำไม่ลืมกลางวันแม่นอนเดินจงกรมเมานี่ไม่แตะเลยละเมากระชั้นอย่างนี้เมื่กระชั้น แต่ในสามเดือนไม่แตะเลยหมากไม่เอาทิ้งหมดจนหลังพรนจาอุปถัมภแล้วไปเลยมันแต่ก่อนมันนี่หมากตงนี่นะเขาก็เอามาถวายกระฉันไปนั่นกรันมาเรื่ยปีนั้นักผมจนที่ทิ้งหมดเรื่องหมากเรื่องอะไรไม่เอามันเป็นกังวลไม่เอาทิ้งหมดเลยมันเป็นเหมือนหินล่ะ สมาธินี้มันกิตนี่เป็นเหมือนหินมันแน่นปังสมาธิแต่มันไม่ใช่ปัญญาสิถ้ามันใช้ปัญญามันก็จะไปรวดเดียวกับนั้นเพิ่งกินดูกับสมาธิเองที่ไม่ขี้เกียจมันทํายมันไม่ยุ่งกับอะไรกิตมันอิ่มตัวของมันอิ่มตัวในขั้นสมาธินะไมันจะอิ่มตัวโดยการพ้นหรือพ้นโดยประการต่างนมันอิ่มตัวในสมาธิมันไม่ยุ่งกับอารมณ์อะไรลูกเสียงไม่ยุ่ง สมาวมาคนทางปัญญานี่มันถึงได้มีงานมากขึ้นมาโอ้โหงานปัญญาีงานมากงานหนักงานหยุดไม่ได้รั่งไม่อยู่พิจารณาร่างกายตอนอรุภพรุปพังนี้มันผาดโผลมากนะความจะปล่อยกันได้ไหมมันผาดโผลมากมันเคร่งตัวมัน มองเห็นอะไเป็นว่าไปหมดในความรู้สึกมันเหมือนกับมันเป็นพื้นอยู่เลยเนาะเมื่อไหร่มันถึงปล่อยของมันได้พอมันรู้เต็มตัดเต็มส่วนหาที่สงสารไม่ได้แล้วมันก็ถอนมันก็รู้จากนั้นน้ําไม่เอาเรื่องพัฒนาร่างกายมันไม่เอาเลยนะมันรู้จะทันมันอิ่มแล้วเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันมันก็รู้ เวลาพิจารณาสุภาพเพินพอย่นี้มันก็เป็นรถของมันหนึ่งกันนะที่เดี๋ยวมันยังมีอยู่เหมือนกับไปตามเชื้อมันมันก็ไหมอย่างไปเรื่อยพอมันหมดเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วมันก็ถอยกรูเลยนะไม่เอามันจะสัมผัสสัมพันธ์กับพวกนามาทําเวทนาเวทนาเกี่ยวกับร่างกายเวทนาเกี่ยวกับกิต สัญญาเราต้องขันสัญญาเราต้องขันตํางขันมากละเอียดมากนะตัวสัญญาเอาไปเหมืนั่นเปาะแปะเปาะแปะชนิดนั้นไม่กว้างฝังอะไรมีเพราะอะไรมันก็มันรู้หมดแล้วมันปล่อยหมดมันไม่สนใจไปลูกเสียงไปรูเครื่องสมัดมันเหมือนอยู่คนนอกระวี่บุริเวลามันปล่อยมันมีแต่ติดตัวเดียวนี่เป็นตัวโทษเหมือนมะเมาของนี่ใช่ไหมเนี่ยตัวโทษมันแสดงเย็บไปเย็่ไเนี่ยมันหมุนอยู่ตรงนั้นได้ อันนั้นเขาไม่ใช่โทษรูปเสียงกินรถไม่ใช่โทษอะไรๆ ไ, ไม่ใช่โทษตัวนี้เป็นโทษตัวนี้เป็นตัวเหตุเนี่ยมันก็เหมากันลงจุดเดียวจุดเดียวจนกระทั่งมันพร้อมแล้วให้าถึงหมดเวทีนี่ก็หยุดไม่รบกันนะที่แรกใส่เวทีกายออกเวทีกายกใส่เวทีของนามธรรมาสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญาณ เข้าก็บจิตเข้าก็บจิตหมุนกันกันนออกมานี้เข้าจิตออกนี้เข้าจิตทีนี้ผลสุดท้ายเหล่านี้มันก็รู้กันหมดอ่ามันปล่อยเข้าไปอีกเลยเหลือแต่จิตแยบลงมาก็จิตเนี่ยทีนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับว่าแยบไปอะไรเรื่องอะไรมันไม่ไปตามแล้วนะแต่ก่อนมันมันตามพิจารณารู้เริ่มกระดับไปรู้แล้วดับไปพอมันมันรู้จริงๆแล้วมันปล่อยมันยิบแยบยิบแยบมันดูแต่ยิบแยบแยบกับธรรมชาติที่เป็นฐานหนึ่งฐานหลอกรวมใหญ่ฐานวิชา กัดกินไปเดียวกันหมุนนะครับวัดเวทีนั้นทางไปแล้วมันก็เลยเลิกเวทีก็ไม่ทราบจะลบยังไงตอนยังไงอีกอ้วยเรือหมูเ่อนฟ้าก็ามดใส่มดพุ่งนะผมขอให้เห็นใจกับหมูเพื่อนผมพยายามที่สุดกับหมูเพื่อนทุกยากขนำไนผมก็ทนเอาเพราะความสงสารเนี่ยพูดให้มันเต็มไม่เต็มเหมือ่ สงสารจริงๆไม่ได้สงสารเพีงเสกสรรบันดอนนะมันเป็นความจริงจริงเพราะฉั้นมองดูแล้วมันจึงมองจริงๆมองหมูเคลื่อนมันจะมองเพื่อจะมายกพลยกกอง ก, กันแบบโลกอโกดูตรงไหนว่าตรงไหนมันเป็นความจริงตรงนั้นอะแก้ตรงนั้นที่พูดง่ายเหมือนอย่างนั้นยะเปิดตรงนั้นเหมือนอย่างนั้นปิดป้องตรงนั้นไว้สิมันจะตายนั่ะคู่ต่อชู้เขาใส่ถางเข้าไปนั้นเสร็จหน้าความหมายว่าอย่างนั้น งานใดจะยิ่งของงานของกิตติพน์ะมันจะลําบากที่เกียร์ขนาดไหนอย่าไปถอยมันความีะเอียดคือตัวกิเลสมันมันลบความเพียรนะ่ะให้ถือเป็นจุดอนหนึ่งขึ้นมาให้ถือเป็นเหตุหนึ่งขึ้นมามันที่เกียร์มานําคานตัวําคานตัวขี้เกียรนั่นะคือตัวกิเลสวัดมันลงไปแล้วอันนี้มันจะเลิกตัวมันถอนตัวมันไปเราจะเห็นคุณค่าของความเพียร์นตรงนั้นแหละเออมันขี้เกียรมันนาคานอะไรไรเงี้ย เวลาลมไปเสียนั่นแหะมันได้กําลังเพิ่มกําลังให้ตัวขี้เกียจขึ้นตัวราคาญขึ้นนั่นแหนะตัวที่เหลือแล้วรคาญตรงไหนเอาเรา่ําคาญ น, นั้นเป็นเหตุเลยเป็นเป้าหมายของความเพีย่ยนฟัดกันลงตรงนั้ น, นเวลามันรู้กันแล้วอ๋ออันนี้ก็เป็นที่เหลือเน่ยไปเรื่อย